วันน <Harrison> ี้ไม่ต้องฝาก بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ุ والسلام على ฺ ش ر ف ا ل ฺ ن ب ي ا ء و ا ل م อฮฺุลลอฮ ل ุลลอฮฺ و ลลอฮ ب ع ه م ب ฮ ح س ا ن อ ل ى يوم الدين رب ฮฺุลลอฮฺุล ي อฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุ ق ลอฮ الل الله h u m ا a bika a s b a h س a wa ن i k a a m s ك n n a wa bika nahiya wa أعوذ بِكَ لِمَاتِ الَّهِ تَمَاتِ مِن شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ د ر ُ مَعَ س م ِ ه ِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و ِ و َ و س َ م ِ ي ع ُ ا ل ْ ع َ ل ِ ي م รด ب ตุ ل ل ลลาฮฺร ب บบ ا วบิลิสลามดีน่าวบิมุ ل ัมมัดรัสูละ م าลลอฮฺม์อินีอาอุบุบิค์มินัลคัสล ذ ลว ف ูอิลคิบริรับบ์ ل าอุ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่ร่วมนั่งมาสบวะที่รักทั้งหลายครับ Tatung khaburnallah. Dengan kelawa. Alhamdulillah. Berkasihku. Walakalhamdu. Alhamdulillah. Berkasihku. Walakalhamdu. Keganasan menjadi milik Allah. Dan kekompakan semuanya juga milik Allah. Terima kasih Allah yang telah membawa kita melalui bulan Ramadhan. t k h a b a k u n t h a n g m e m kita e n k a n g a l l a h k h a b a k u n a l l a h t i t a u b u a n d e n Ramadhan. m a l a h l e k a t e i s i b k a h a a n ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มารวมตัวกันนะครับที่ลานเพื่อนามาตอีนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ใจฟิฟตรีขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ทําความดีในเดือนอามอสขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ประทานทางนําสําหรับชีวิตก็คืออัลอิสลามแล้วก็อัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลัยฮุวะสัลลัม เราขอบคุณอัลลอฮ์อีกที่เราได้มีโอกาสมาทบทวนอัลกุรอานพร้อมความหมายนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ทบทวนกุรอานมาถึงสุร่าอัมบียะจบไปแล้วสุร่าที่ยี่สิบเอ็ดฮัมดุลิละวันนี้เรามาอยู่ที่สุร่าที่ยี่สิบสองนะครับเป็นปีที่ยี่สิบสองแล้วนะครับสุร่าฮัจนะครับ เราขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มีโอกาสมานั่งในมัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็นั่งอ่านอัลกุรอานแล้วก็นั่งยาตาดารอสู้นะ่ะมาศึกษาหาความรู้เพราะที่มัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่มีไว้เพื่อทํานามาดอย่างเดียวมัสยิดของอัลลอฮ์ทุกแห่งในโลกไม่ใช่มีไว้เพื่อนมาดอย่างเดียวแต่มีไว้เพื่อการเรียนการสอนนะครับ มีการทบทวนมีการอธิบายมีการทําความเข้าใจเรื่องเราเกี่ยวกับศาสนาเอากุณอ่านมาสอนเอาฮะดีสมาสอนแล้วก็เป็นที่ประชุมด้วยมัสยิดวางแผนที่จะทำงานศาสนาของอัลลอ์ต่อไปก็ต้องใช้มัสยิดนะครับขอบคุณอัลลอ์นะครับที่พี่น้องหลายคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่ได้ บางอั an, ลกุรอานเราเข้าใจอัลกุรอานบางอายาบางตอนทำให้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขอบคุณเราเนาะนะเราวันนี้เริ่มส ah ุรัลหัจนะครับอ่านไปแล้วห้าอายาดูกันอ่านกรุรอานเนี่ยนะอ่านชา้าชาอ่านสั้นพั้นคนที่เพิ่งเริ่มอ่านกรุรอานมีไม่มีแต่ถ้าอ่านยาวคนไปไม่ไหว นะเราต้องมองคนที่อ่อนที่สุดคนที่แย่ที่สุดอย่าไปมองคนเก่งถ้ามองคงเก่งสังคมมันจะเลอะเลยมันต้องมองคนอะไรนะคนที่แย่แย่ที่สุดเหมือนกันเวนลาสอนศาสนาก็เหมือนกันต้องให้แม่บ้านที่อยู่ในครัวเนี่ยฟังเข้าใจนั่นละเป็นการสอนศาสนาที่ดีที่สุดถ้าไปเอาปัญญาโทปัญญาเอกเข้าใจแล้วไอ้ชาวบ้านไม่เข้าใจมาเรื่องข้องมันไม่ใช่ นั่นไม่ใช่เป้าหมายของการสอนการสอนต้องให้คนธรรมดาที่สุดฟังแล้วเข้าใจความรู้ที่เราได้สอนนี่คือการเ ป, าเป้าหมายของการดาวะอิสสลาปัจจัยนะมันจะเอาเฉพาะคนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ ง, งยี่สบคนในชาบ้านปล่อยมันไปไม่ใช่ต้องเอาชาวบ้านไว้คนหนึ่งมันเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเอาลอดชีดนําทางมันเองนะครับขอบคุณนะลอเรามาถึงส ah ุราอัลหัต อัลฮัจนี่แปลว่าอะไรอัลฮัจก็เป็นรุกล น, นึ่งของหลักการอิสลามมีทั้งหมดมีอยู่หประการเ็าเรียกว่ารุขุลุ่รุขุลุอิสลามข้อมสัตุนหลักการอิสลามมีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งก็คือกาวปฏิญาณตนว่าละอิลฮะริลลอฮ์โมฮัมมัดุรอสูลลอฮ์ข้อที่ 2, อสองอัลสอลาห์นามาดข้อที่สจ่ายจะกาศข้อที่4ถือสินอดข้อที่ห้าอัลัจ การทำพยาเนี่ยเฉพาะคนรวยเท่านั้นคนจนๆจนหมดสิทธิ์ไม่ต้องไปนะครับฟังขอดบูอาต่อเลาะไปนะครับคนรวยๆเท่านั้นที่ต้องไปประกอบพิธีฮัทเวลาไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยให้นึกสามข้อหนึ่งตัวเองเนี่ยจะต้องแข็งแรงสองมีความสามารถ ข้อที่4ีและปลอดภัยในการเดินทางที่ไปประกอบพิธีกา์ต้องนึกสาข้อนะมานิสตาบออ า, า, าอิไลฮิซาบิดะเอาล็อบังคับคนที่เดินทางไปประกอบพิธีกา์ต้องมีสมรายการหนึ่งมีความสามารถมีเงินสองมีสุขภาพแข็งแรงสปลอดภัยไม่มีสงครามนะครับสข้อนี้เมื่อเรามีครบแล้วต้องไปนะครับ ถ้าไม่ไปคนนี้เนี่ยผิดอย่างร้ายแรงเลยถามว่านาบีทำฮัดกี่ครั้งในชีวิตของท่านเนี่ยกี่ครั้งนบีทาครั้งเดียวแต่ทําอุ้มร้องสี่ครั้งนบีทําอุ้มร้องสี่ครั้งทำฮัดดีครั้งเดียวเป็นน้องชายปัญญาดิสอัลลอฮ์ Allah, ทำไมอ่ะนบีกลับมาการห่างกันแค่สามสี่ชั่วโมงเองแต่ทาไมนบีมาทำฮัดครั้งเดียวเป็นข้อเตือนใจเราเยอะมากนะ มีหลายคนในกรทมนี่รวยร่ารวยนะที่ผมรู้จักอ่ะผมทำพาร์ทแล้วเมื่อยี่สิบปีที่แล้วแล้วไปอไหม้ผมไม่ไปหรอกครับอุลามะในมักกะเนี่ยผมได้ไปสัมผัสเนี่ยครั้งที่นี้ไปนั่งคุยอยู่สองสาคนเขาไม่เคยมานี่ยมาที่ฮารอมอุลามะนี่นะเขาไม่มานมาที่ที่มักกะที่ฮารอมเนี่ยไม่มาเขานมาที่โซราของเขาเล็กๆอยู่ตามซอย ผูถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าไปแย่งที่พระจิมมะกาเนี่ยพวกเราไปกันเยอะใช่ไหมทุกประเทศในโลกเนี่ยอย่างเมืองไทยเนี่ยหมืน่นหมื่นกว่าค น, น, คนแล้วอุมมรออีกแหละไปกันทุกปีฉะนั้นทวนคนทั่วโลกเนี่ยมาใช้มัสยิดฮารอมจิมมะกาและทิมาดีนะฉะนั้นคนพื้นที่เนี่ยไม่ควรที่จะออกมานมาที่มัสยิดฮารอมมันแย่งที่คนที่เขาจะมาเยือนมกกะกากับ มาดีนะโอ้ดีมากใช่ไหมเขาไม่นมาที่มัสยิดเล็กๆแต่อยู่ที่บ้านเขาแต่เขาไม่มาเนาะมาที่มะกาเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปแย่งที่ทาดับออกมาพันคนทาก็กินที่ชาวบ้านไปอีกพันคนแล้วฉะนั้นเขาเนรมากันที่บ้านนะครับวันศุกร์ก็มากันเนรมากที่บ้านไม่มาเนรมากที่คารอมเพราะเขาต้องการจะให้สถานที่นั้นนะ่ะสําหรับพวกพวกเราคนมาเลเซียคนอฟริกาคน คนอาหรับคนอังกฤษอันในก็ตามแต่ที่ไปคนทั่วโลกไปประกอบปิเียฮั์และไปทำอุมร้องกันนะครับพอพูดถึงเรื่องฮัสย์นะครับอธิบายนิดหนึ่งผู้คนแรกที่ประกาศให้ผู้คนมาทำฮัสเนี่ยรู้ไหมใครนบีคนไหนครับใครทราบบ้างนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮุสซาลานะครับอัลลอบอกบอกกับนบีอิบรอฮมเป็นคนแรกว่า อาซินชินนาสจงประกาศกับประชาชนกับชาวโลกทั้งหมดกับมนุษย์ทั้งหมดให้มาทำาฮชแทนครม ก, กันนะเ บ, บีิบรรฮีมก็ถาม Allah, อัลลอฮวาะอัลลอฮ์ฉันจะจะโฆษณาแบบไหนอ่ะเพราะสมัยก่อนไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีสื่อสารไม่มีเลย เราบอกหน้าที่ของท่านให้ประกาศตรงไหนก็ได้เดี๋ยวฉันจะทําให้เสียงของท่านนั้นไปถึงหูของประชาชนเองเห่น <st ess of speech> ไหมเพียน้องนายบิชอฟก็ยืนประกาศที่มักการนั่นแหละว่าอารซินฟินนาสนะครับพอประกาศจบแล้ววันนี้ทุกคนในโลกรู้จักมักการหมดเลยใช่ไหมยิงมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ดาลิลลัลลอฮ์ฝ่ายฝันอยากจะไปประกอบพิธีฮัตอยากไปทําบุญรอ ขอวานขนาดไปแล้วก็ขออีกอัลลอฮ์เนี่ยทำให้สำเร็จนะครับเอาละคุยแค่นี้พอนะเอา้าสุรัลอัลฮัจญี่ยสุรัลฮัจญี่ยกร็ถางว่าพ่อสุรัลเนี่ยกุ ร, าา ร, าราอา น, นมีมีที่ลงอยู่สองแห่งนะไม่ลงที่มักกะก่อนลงที่มัดีนะ แต่ซ ah ูรออัลฮัตเนลงสองแห่งที่มักกะด้วยแล้วก็ลงที่มา ด, ดีนาด้วยนะครับสังเกตนะอายาไหนที่ขึ้นต้นด้วยกับยาอายูฮันาสเนี่ยนะยาอายูฮ uh ันนาสกับขึ้นต้นด้วยยาอายูฮันลาดีน่ามานูเห็นไหมต่างกันไหมโอบรรดามนุษย์ชาติทั้งหลายหรือมนุษย์เอย๋ย กับยอายูฮันลาดีนอามานูเรียบบัญชาผู้ที่มีอีมานเอย่ยสองอาย่านี้ลงต่างที่กันนะถ้าเริ่มต้นด้วยยาอายูฮันนาเนี่ยลงที่มักกะลงถึงมักกะสังเกตง่ายๆนะถ้าอย า, ายาไหนเริ่มต้นด้วยกับยาอายูฮันลาีนอามานูอ้อแสดงวันลงที่มาดีนะสังเกตนะครับสังเกต ในสุร้อัลฮัทเนี่ยส่วนใหญ่ประทานธรรมดาเนี่ยกุลอานจนลงจะประทานกลางวันเป็นส่วนใหญ่จากกลางคืนก็มีเหมือนกันนะครับแต่สุรอ้อนเนี่ยทางกลางวันด้วยแล้วก็กลางคืนด้วยแล้วก็กุลอานเนี่ยส่วนใหญ่นะนบีจะอยู่ที่ที่อย น, นีอยู่อยู่ที่บ้านนาบีจําจะไม่เดินทางกุลอาญจะประทานลงมาแต่ในสุรอ้อนนี้นะนบีเดินทางอยู่ ผู้อานก็ประทานลงมาจะร้องว่าทั้งเดินทางไม่เดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงสงครามและไม่มีสงครามแล้วก็ที่นครมักกะและที่นครมาดินาด้วยลงคือว่ามุขตลิทธิลาศผสมกันระหว่างหนึ่งมักกะมาดีนะสองกลางวันกลางคืน4ทั้งเดินทางและไม่เดินทาง5ในช่วงสงครามและสงบศึกนะครับมีอยู่ห ห, ห้ารายการด้วยกันเอามาดูอายะแรกนะครับาอยยูฮ uh ันาสยูฮันนาสแปลว่ามนุษย์เอย๋ยอัลฮัมดุลิลละมนุษย์เอ๋ยนะครับอิตะกูรบบากุมท่านทั้งหลายจงสำรวมตนต่อพระผู้อาภิบาลของสูเจ้า อโลอจงสํารวมตนต่อพระพูงอธิบาลของสูตเจ้านี่ยผมไปดูในตั๊กเซตภาษาอูดูก็อธิบายดีนะอธิบายอย่างนี้ผมสรุปเป็นภาษาไทยนะว่าจงเลือกจงเลือกเอาการตักวาและการศรัทธาหกข้อนะครับมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเถอะอโลอดีไหมจงเลือกเอาการตักวา และการอีมานหกประการมาเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตเถอะาสตอุอดมว่าอิสติยาร์การอุทธรัตวา إ ว่าอาาตอจงเลือกเอาการ إيمان หกข้อและเลือกเอาการตวักวเนี่ยมาเป็นแทนมาเป็นทางนำสำหรับดาเนินชีวิตเถอะ วันวันหนึ่งให้เราเลือกแค่นี้แหละทำงานให้อัลลอฮ์พอใจทำงานให้อิหมานของเราเพิ่มคิดสองข้อพอจะทำอะไรก็ตามแต่ให้เราให้อัลลอ์พอใจสองให้ตักวาเพิ่มสามให้อิหมานเพิ่มนี่แหละเป็นการเดิมเรือนชีวิตที่ที่เรียกว่าอิตตะุลลาะจงสำรวมจนต่ออัลลอ์สุบฮานาวาแล้วทาไมต้องทาไมต้องเตือนให้เรา กุออ yeah, yeah. ัลลอฮฺยยออินนั่ลซาลาเทสซาติชาออุนอาลมอินนั่ลซาลาซาลาแปลว่าแผ่นดินไหวซาลา earthquake นะแผ่นดินไหวภาษาอดูกะซิลซาเหมือนกันนะครับซิลซาลาซิลซา แค่จริงแผ่นดินไหวอสซาวันกิ亚马อสซาเดิมแปลว่านันาฬิกาข้อมือแต่ตรงนี้แปลว่าวันสิ้นโลกนะครับการที่จะเกิดวันสิ้นโลกได้นั้นต้องมีแผ่นดินไหวไหวยังไงครับใชยอุณอิีมเป็นการไหวแบบอะไรนะ ไหวแบบสั่นสะเทือนอย่างไรนะอย่างรุนแรงนะครับการที่มีแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะั่นน่ะจะทําให้เกิดวันสิ้นโลกตอนนี้แผ่นดินไหวทุกวันน่ะที่เช็คได้น่ะทุกวั น, วนถากมันไหวไหวไหวไหวไหวอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันเตือนให้รู้ว่าวันเกีย์ ม, มัดมี้ตร้ามาแล้วนะ่ะ ฉะนั้นเครื่องหมายหนึ่งของวันสิ้นโลกก็คือแผ่นดินไหวก่อนจะแผ่นดินไหวก็มีรายการประมาณแปดเ้ารายการเช่นอะไรบ้างดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกนะครับนั่นเป็นสัญญาณให้รู้ว่าใครที่จะเต่าบ้าตัวต่วตวอร้อนจะเป็นคนดีหมดสิทธิ์แล้วนะจะเป็นคนดีไม่ได้แล้วใครที่จะกลับมา อยู่ในศาสนาอิสลามมาเรียนรู้เรืองอิสลามก็ต้องให้เรียนรู้ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วโอกาสที่จะขึ้นทิศตะวันตกนี่สูงมากตักงนักพยาศาสรหลายคนเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับารับอิสลามไนเยอะแล้วตอนนี้พอ ร, รู้ว่าวันสิ้นโลกมีจริงดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะ ว, วันตกจริงนะครับทีนี้สําหรับพี่น้องมุสลิมคนที่อ่านอัลกุรอานต้องนึกนะคือนึกว่าเพราะอัลลอฮ์เตือนนะ ยาอายุฮันสุตตะคูรบะกุมมนุษย์เอ๋ยจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ต่อพระผู้อภิบาลของสูตเจ้าแท้จริงอินนัซลาตัสอาติชัยอุนอาริมแท้จริงการสั่นสะเทือนหรือว่าแผ่นดินไหว อาสาของวันสิ้นโลกนั้นเป็นสิ่งชัยอุนเป็นสิ่งอารีมุนร้ายแรงพี่น้องครับร้ายแรงขนาดไหนดูอัลกุรอานต่อไปยามตะเรวนะฮะทัฮะลูกุลลูมุรดีฮะตินอัลมาอัลลอฮฺ ว่าจะวางกุลุจัดพมลพมลาว่าจะรนัสสุการะَ่าไม่หุบบิสุการะ ولكن عذاب الله شديد اللهonian ถ้าแป a คุณอ่านระย n นี้ได้นะอิมานมา m ต็มเลย เอาอย่าเ่งปอ่านก่อนยาวมาตะเรานะฮะัฮาลุุลุมรดีติอัลมาอัรบีตวะบยุุลุฎะฮ์ฮัมลินฮัมลาวะทอรนสสุการ ว่ามหัมบิสุการา ولكن ع บ ا ب الله شديد يوم ายามาแปลว่าอะไรครับพี่น้องแปลว่าวันวันซึ่งตาเรานะฮะมุฮัมมัดท่านมุฮัมมัดหรือผู้อ่านเนี่ยเห็นมัน วันซึ่งท่านจะได้เห็นมันเห็นอะไรครับตัสฮาลูกุลูมุตเดียตินกุลล่าแปลว่าทุกทุกมุตเดียแปลว่าแม่นมท่านจะได้เห็นแม่นมที่กำลังให้นมลูกเนี่ยนะตัสฮาลูแปลว่าลืมลืมให้นมลูกทำไมอัลลอฮยกตัวอย่าง แม่นมที่ให้นมลูกเนี่ยลืมการให้นมสแสดงวันนั้นวันที่ยิ่งใหญ่มากโกลาหนที่สุดวุ่นวายที่สุดเอาล่ะพี่น้องแม่กับลูกเนี่ยมันลืมกันยากนะไม่มีใครลืมลูกเลยพี่น้องทุกคนนึกถึงลูกหมดเลยพี่น้องยิ่งกำลังให้นมอยู่นี่ยอาล่ะว่าแต่ a l l a เล่าสภาพของความวุ่นวายโกลาหนของวันเกียร ม, มากก็คือแม่นม กำลังให้นมลูกนี่พี่น้องครับจะลืมการให้นมลูกทันทียิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องโกนละหุนขนาดไหนพี่น้องเนี่ยเอาล้อเล่าให้ใจพี่น้องฟังถึงภาพขความวุ่นวายในโลกอาร์เคโรดในพี่น้องนะเยามาตาเรานฮะวันซึ่งสู่เจ้าหมายถึงนบี ม, มุฮัมมัดหรอือผู้ผู้อ่านกลุ่อ่านนี่นะจะได้เห็นมัน tashalu ลืมกุลทุกทุกมุตติอาทิแม่นมทำ ม, มาอารวาสสิ่งที่นางให้นมโอโลแม่นมลืมให้นมลูกนะครับนั่นคือความโกรหนความวุ่นวายความยิ่งใหญ่สั่นสะเทือนมากครับไปนอ้องยกกระทั่งลืมการให้นมลูกไปนอ้องยิ่งใหญ่มหมยิ่งใหญ่เอาต่อมาครับ ว, ว่ตั้งคือล้าที่หัมลินหัมลฮาล้าที่หัมลินแปลว่าหญิงที่อุ้มคันหัมลฮาคันของนางตะบภาคลอดผู้หญิงกำลังอุ้มคันอยู่จะคลอดลูกออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเห็นไหม กำลังให้นมนะ่ะลืมให้นมกำลังอุ้มคันอยู่เนี่ยคลอดโดยไม่รู้สึกตัวออกล้อไม่ต้องใช้หมออะไแบ้ไม่ต้องผ่ า, านโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องไม่ต้องมองไม่ต้องไม่ต้องใช้ ย, ยงใช้ยายไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลคลอดเองโดยไม่รู้สึกตัวเรื่องใหญ่ทั้งหมดเลยพี่น้องฉะนั้นเรื่องการอุ้มคันแต่นักให้นมลูกก็ยิ่งใหญ่พี่น้องแต่วันนั้นผู้หญิงทั้งสองประเภทนี้ คลอดลูกโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเจ็บอะไรทั้งสิ้นคนที่ให้นมลูกก็ลืมการให้นมลูกครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของโลกอาคีรอดนะครับพี่น้องอัลลอฮอัลกบันนะอุซบิลลาฮฺพี้องวาตาร์นาสุการอท่านจะได้เห็นมนุษย์สุการอแปลว่ามืนเมา งงงไปหมดไปน้องทําอะไรไม่ถูกเหมือนคนเมาัวาหุมบิสุการอแต่พวกเขานะ่ะไม่ได้เมาเพราะไม่มีของเสพติดให้ให้เสพในวันนั้นนะ่ะถ้าจะเสพก็เสพดุลยาตอนนี้แหละแต่ในวันอาค์เคโรนะ่ะหมดสิ้นแล้วอะไรใบกระท่อมไม่มีน้ําท่อมไม่มีกันชาไม่มีเฮโรอีนไม่มีบุหรี่ไม่มี ของฮารอไม่มีวันนั้นแต่คนมันเมาเมาเพราะอะไรนะเมาเพราะความโกรหนอันยิ่งใหญ่เพราะบาปของคนที่ทำอาไวเขาจะเห็นหมดเลยว่าเขาจะเตีจะรับจะจะรับโทษจากอลรรย์อย่างไรกลัวหมดครับพี่น้องวามาหุมบิสุเการอและพวกเขานั้นไม่ใช่เป็นคนมือนเมาทั้งๆั้งที่ไม่มีของเสพแต่พวกเขาเมา ว่าแต่าการลงโทษของอัลลอ์นั้นสาหัสยิ่งนะอุษมบิลลาเป็นองเห็นไหมการลงโทษของอัลลอ์สาหัสยิ่งครับเพ็่นเรานี่ทำไมอัลลอ์เล่าเรื่องอย่างนี้ไว้ในการตุยกลอานเล่าให้รู้ว่าโลกใบนี้จะต้องเดินตามกุรอานเพื่งนี้แหละเดี๋ยวไม่ช้าจะโลกใบนี้หมดอายุ เมื่ออายาที่แล้วไม่มีอยู่อายาหนึ่งที่เชื่อมาอ่านบอกว่าอัลลอฮฺจะม้วนอะไรนะชั้นฟ้าเหมือนกับท่านม้วนกระดาษที่เขียนหนังสือทําไมอัลลอฮฺเล่าว่ากระดาษที่ท่านเขียนน่ะนี่กระดาษอย่างงี้พี่น้องเนี่ยกระดาษแบบนี้แหละม้วนอย่างเงี้ยง่ายหรื อ, อยากง่ายสําหรับอัลลอฮฺชั้นฟ้าก็เหมือนกันนะครับเมื่ออัลลอฮฺจะม้วนน่ะม้วนแป๊บเดียวจบเลย เพื่อต้องการให้รู้ว่าอัลลอฮ์มีความสามารถขนาดไหนนะครับสามารถที่จะให้โลกใบนี้หมดอายุภายในพริบตาเดียวก็ได้แต่นี่เตือนให้รู้นะครับพะสร้างมนุษย์มาแล้วให้เกียดมนุษย์ฉะนั้นคนที่จะปลอดภัยจากการเมาผู้หญิงที่จะไม่คลอดลูกก็มีอยู่กลุ่มเดียวนะมีอะไรนะมีอีมาน มีอีมานกลุ่มเดียวความหวาดกลัวความวิตกกังวลใดๆจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าไม่มีอีมานนั่นแหละทุนองตุลงว่ามีมีอะไรนะมีเครื่องอะไรนะมีเครื่องป้องกันไม่ให้ได้รับการทรมานในโลกอาคือรอมีไหมมีครับนั่นก็คืออิตตุลลอจงอะไรนะ จงเลือกตักวาและเลือกอีมานเป็นทางนำสำหรับชีวิตเทอะเขาจะปลอดภัยจากการลงโทษวุ่นวายในโลกอาเชรอพูดง่ายๆพี่น้องครับคนที่เป็นมุมินตายนอ น, นอนอยู่ในกูโบเนี่ยวันๆฟื้นคืนชีพนี่นะพอเรางฟื้นออกมาจากหลุมสุสานนี่พี่น้องมาเลายกล้ามายืนต้อนรับนะเอา เวลคับเวลคับอาดานวาซาฮันอัลฮุมุลิลละนั่นคนที่เป็นมุูมินอ่ะมาเลาย์ก้ามายืนตอนรับที่ไหนครับที่ปากปากลุมปากลุมพี่น้องสงางงามขนาดไหนกับนี่เล่าเนี่ยภาพของคนไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์เล่าภาพของคนที่ไม่เอาศาสนาไม่เอากูรา์านพี่น้องคนที่หันหลังให้อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ อัลลอฮฺประณามว่าเป็นกลุ่มไหนนะกาเฟตและมุสริหหันหลังให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยหนึ่งเรียกว่ายโฮดีนัสรลนีบิดอาชีอาเต็มมหมดเลยไปน้องหันหลังให้กับนบีอย่างเดียวในนั้นนบีกี่กลุ่มนะยโฮดีนัสรลนีบิดอาชีอาเต็มมหมดไปน้องที่ก็ต่างๆนไปน้องนั่นอัลหลังให้กับสุนน์นบีหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยนะยึดกุรอานและสุนนะของท่านอบดาบีสองข้อขนี้เท่านั้นถึงเขาจะปลอดภัยจากความวุ่นวายในโลกอาคิรานะครับเอาต่อามาครับ <c oughs> อ า, าบอยาที่เท่าไหร่นะอายาที่สามว่ามีนั่นอาสิไมอยู่จดิลุฟิลลาฮิบิไกร์ริอัล วยติดตามกุลชัยท่านมาริดว่ามีนักหนังสือที่ยุ่งยากลุ่มในหลักบิกรีอัลวยติดตามกุลชัยท่านมารดลืมอธิบายฮะดีนะครับ วันเกียร์มาเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพรายงานจากท่านหญิงไอาชาบอกว่าท่านนาบีสอนบอกว่าอินนากุมตัพชูรุนนะอิลลอหยามัลกีย์มาฮุฟะตันอูรัดันกุรลันเมื่อฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพท่านทั้งหลาย จ, จะถูกให้ไปชุมนุมกันต่อนหน้าอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาไม่ใส่รองเท้า แล้วก็ไม่ไม่ได้ตัดอวัยวะเพศอะไรนะไมาไดัน ม, มาโซเชียลไม่ได้ทากีตารออกอพี่น้องและเดินเท้าเปล่าแก้ผ้าหมดเลยนะขยึงงายชาถามท่านนาบีละอาริจาลวันวันิซะยังจรุบาดุฮุมอิลาบาดิแล้วผู้หญิงผู้ชายเดินปนปนกันเนี่ยไม่มีใครมองกันหรือ นบีตอบบอกว่ายะอาอิช่าอาอิชเอ๋ออินนลัมรออาชัดโอ้กิจการกิจกรรมในวันนั้นมาถึงภารากิจแต่ละคนนั้นมันหนักกว่าที่เขาจะไปมองดูเอาไว้ว่าเพศของใครไม่มีใครสนใจใครไม่มีใครมองใครตัวใครตัวมันเอาตัวรอดวันนั้นพี่น้องยกเว้นคนกลุ่มเดียวนะคนที่มีอิหม่ามต่อรอดเท่านั้นที่เดินแบบสง่า ง, งามวันนั้นนอกนั้นโกละหนหมดเลยนะครับพี่น้อง นะ <c oughs> ว่ามีนันนัสแปลว่านะครับว่ามีนันนัสเนี่ยแล้วก็มีมนุษย์นะครับบางคนในหมู่มนุษย์บางคนไม่ใช่ทุกคนนะนี่เล่าภาพของคนที่หันหลังให้อัลลอฮ์หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับสุนนะบีหันหลังให้กับอัลกุรอานเนี่ย <c oughs> ว่ามีนันนัสและในหมู่มนุษย์บางคน ยู่าดีลูพวกเขาโต้เถียงยู่าดีล์แปว่าโตเถียงฟิลนเรีเกี่ยวกับความจริงความเป็นจริงของ Allah. อัลลอฮ์อธิบายยังไงครับทองการจะอธิบายว่ามนุษย์บางคนบางศาสนาก็แล้วกันนะบางศาสนาเนี่ยเป็นผู้โต้เถียงกับอัลลอฮ์เช่น ศาสนาคริสต์บอกว่าอัลลอฮ์มีภรรยาชื่อมารยยมแล้วก็นบีนอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์นี่เป็นการโต้กับอัลลอฮ์เลยครับแล้วก็ศาสนายิวศาสนายิวเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกชายชื่อท่นอุเซซแล้วก็พี่น้องชาวอาหรับมักกะที่ยังมาเดตเอาบ้าตัวละตายไปแล้วนะคนแล้วนี่โต้ว่าอัลลอฮ์มีลูกสาวเป็นมาราอีกาของอัลลอฮ์ พี่ต้องสังเกตนะอัลลอฮ์จำมันเลยนะอัลลอฮ์บันทึกทั้งหมดฉะนั้นคนที่พูดว่าอัลลอฮ์เป็นยัง้นอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้อัลลอฮ์เหงาอัลลอ์ต้องแต่งงานอัลลอฮ์มีลูกใช่ไหมอย่างโชยฮูดีนะอุบดอัลลอฮ์ไปเยอะตำนี้อัลลอฮ์ไปเยอะเช่นอัลลอ์จนบ้างอัลลอ์จนใช่ไหมรูสิขอบริจาคจากเพื่อนมนุษย์ให้ดูแลงานศาสนาของอัลลอ์นี่เป็นภาษาของคนยิวทั้งหมดนะ ที่พูดใส่ร้ายอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าลฉะนั้นอัลลอ์เล่าในกะพรคุอ่านบอกว่ามีมนุษย์บางคนอยู่จดีดูฟิลลาฮที่โต้เถียงเกี่ยวกับความเป็นจริงของอัลลอ์บิไกริียอลมินโดยที่เขาไม่มีความรู้อัลลอ์ความรู้เรื่องอัลลอ์เนี่ยหาได้จากไหนจากกรนานถ้าเปิดกูนัอ่านอ่านนี่นะไม่มีใครโต้เถียงอัลลอฮ์เลยจะยอมรับว่าอัลลอ์เนี่ยเป็นผู้สร้าง ที่ยิ่งใหญ่และอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุสินทุอย่างแต่พราะไม่อ่านคนุรอานปั๊บเนี่ยก็โตเถียงอัลลอฮ์ได้ทุกเรื่องเลยเนี่ยพี่น้องเราเป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเกิดมันกันพี่น้องเข้าไม่ถึงอัลลอฮ์น่ะเพรอะไรรูเปล่าก็เพราะไม่อ่านคุรอานผมพบกับคนที่มาจากเมื่อวานเนี่มาจากประเทศลาวนั่งคุยกับผมม เขาบอกที่ประเทศลาวเนี่ยเขาเขากราบผีกราบผีผีอธิบายยังไงเจ้าพ่อเจ้าที่จะปลูกบ้านก็ต้องบอกเจ้าที่ก็ใช้ยินก็ใช้ตอนทั้งหมดนั่นแหะไม่ได้ถึงอัลลอฮ์หรอกใช่ไหมะจะขับรถก็ไปไหว้จะทําอะไรก็ไหว้เจ้าที่เจ้าพ่อตนมาใหญ่ๆก็เอาผ้าเขียวผ้าแดงไปพัานนั่นเจ้าที่เจ้าพ่อหมดเลยนะ่ะ ไม่ถึงอัลลอ์ถึงแต่ยินและช้ต่อตลอดฉะนั้นข อ, ขอให้ท่านพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่าหลงตามคนกาเฟ่นะพยายามอ่านคู่อ่านให้เข้าใจนะครับเพราะอ่านคุ่อ่านแล้วความรู้ในการปีคู่อ่านเนะี่ยเต็ไมไปหมดนะครับเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นการศรัทธาต่ออัลลอค์องเดียวนะว่ามีนันสีไมยูจากลูในลาฮบิร์บิ และในหมู่มนุษย์บางคนมีผู้โต้เถียงเกี่ยวกับความเป็นจริงของอัลลอฮ์โดยไม่มีความรู้ทั้งๆที่ความรู้น่ยมีไหมมีอยู่ที่ไหนก็อยู่ในกัมภีกุรอานนะครับทุกอายะเป็นความรู้หมดเลยนะครับวยัตต์ตับิยกุลลาชัยกอนิมาริดยัตต์บิยะและพวกเขาปฏิบัติตาม อิติบาตแบบปฏิบัติตามคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยตามใครน้องสรุปจากอายานี้ก็คือตามไซตต้นวายัตบิญูกุลละไซตอ น, ตอนปฏิบัติตามไซตต้นทุกทุกตัวมูริดที่ไหนนะที่ดื้อรันมูริดแปลว่าดื้อรันอ่ามารีดมารีดมัใช่มูรีดมารีดน ะ, ะมารีดุนแปลว่าดื้อรันที่ดื้่นะ วายัตบิอักุลชัยตอนนิมมาริตและเขาปฏิบัติตามชาตอนทุกตัวที่ดื้อรั้นในตัศน์รูุ้ขามาอานีและหลายหลายเล่มเขาบอกว่าคำว่าชายตอนนิมมาริตชาตอนทุกตัวที่ดื้อรั้นเนี่ยเป็นชาตอนจริงๆหรือว่าเป็นมนุษย์ด้วย <S <S เป็นทั้งสองอย่างนะอิมมาอิบลิสวาญูนูดีเดินตามชาตอนจริงๆ อิบลิสจริงๆหรือว่าอิมารูอาซาอุลกาฟิร์ลแล้วก็หัวหน้าของคนกาเฟตด้วยเป็นการที่ปฏิบัติตามไซย์ตอนคนก็เดินตามหัวหน้าของเขาเป็นคนนั่นก็เป็นชซต์ตอนประเภทหนึ่งเหมือนกันเราอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มไซย์ตอนจริงๆกับบุคคลที่เดินตามไซย์ตอนเดินตามคนกับเดินตามชซต์ตอนได้ทั้งสองนะครับทีนี้ ตัปซิดอาย่านี้ตรงการจะอธิบายบอกว่าสาเหตุที่อัลลอประทานอันกรานลงมาเนี่ยมีคนในสมัยนบีเนี่ยอธิบายแต่อธิบายบว่ามีท่านนับดิบนฮาริสคนนี้เป็นคนกาเฟตที่มัชฮูดมากเลยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่อีกคนนึง อ, อับูญหาฮาน3อุบไบยิบเนี่ยเขารับคนนี้โต้กับท่านนาบีมุฮัมมัดเรื่องอัลลอหฺ นะครับโตกับนบีมุฮัมมัดคือแย่งกับนบีมุฮัมมัดทุกๆเรื่องนบีสอนอะไรพวกนี้โตโตโตโตตลอดอัลลอก็เลยเล่าวันคบีุอ่านนะครับนั้นคนที่โตกับนบีมุฮัมมัดนี่นะเขาก็ลังทำสงครามกับอัลลอสุบฮานะูวาตัลนะครับเอาต่อมาครับกุติบะลยอีอันนูมันตะวัลลา فإنّه ََُ يضله ُُُِّ ويهديه ََْ إلى َ عذاب ََ السعير ِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ <س ؤ> ا ل ح م د ل ل ه أنا ยันนี่เพิ่งทราบ อาสวานยังไงครับกูตีบ่าและอฮีกูตีบ่าแปลว่าได้ถูกกําหนดอ่าไลเกี่ยวกับไซต์ตอนอัลลอฮ์ได้กําหนดไซต์ตอนทั้งหมดนะครับได้มีกําหนดเกี่ยวกับไซต์ตอนว่าอันนาหูมันตะวัน ล, ลาผู้ใดที่ครบตะวัน ล, ลาแปลว่าคบ คบเป็นเพื่อนนะผู้ใดที่คบไซตตอนนะครับใครที่คบไซตตอนเป็นเพื่อนวันนี้ในตัวเรานะ่ะมีสองอย่างมีมาลาอิก้ากับมีไซตตอนอยู่ในร่างเดียวกันแล้วเรานในฐานะเป็นอะไรนะเป็นเป็นกรรมการจะเข้าข้างใครก็ได้มีมาลาอิก้ากับไซต์ตอนอยืน อ, อย่างเงี้ยคู่กัน เราเนี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นกรรมการถ้า إ ي م านเยอะก็เข้าทางมาลาอิกะถ้า إ ي ม ا ن น้อยเข้าทางใครเข้าทางไซต์ตอนให้เราเป็นกรรมการตัดสินเห็นยังอัลลอฮฺให้อำนาจขนาดนี้อาฟิน้องสังเกต น, นะบางวันเนี่ยอัลลอฮฺลุกขึ้นนมาแต่ฮัดหยุดได้ ที่สเป๊ะขึ้นเลยประชับกระเฉงบางวันนะซูโบนาฏกาปลุกแล้วก็ไม่ขึ้นเข้าข้างใครท่านเข้าข้างไซต์ตอนเป็นต้องสังเกตนะครับฉนั้นนบีอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูฮัมมัดเอาคุรานลงมาอ่านว่าไงนะอัลลอฮ์ได้กําหนดนะใครที่เข้าข้างไซต์ตอนถ้าเข้าข้างมาลิกาณ์ปลอดภัยไหมปลอดภัยครับถ้าเข้าข้างซต์ตอนไม่ปลอดภัยเลย ทีนี้พอเข้าข้างไซต์ตอนหรือเอาไซต์อนมาเป็นเพื่อนหรือคบไซต์ตอนเป็นเพื่อนนะ่ฟะฟาอันนาหูไซตตอนมันทําให้อยู่ดินลูหูทําให้คนนั่นหลงอล๋อพี่น้องใครที่เอาไซต์อนเป็นเพื่อนนะไซต์อนมันจะทําให้คนคนนั้นหลงทางว่ายังไม่พออีกครับว่ยัดดิฮี และชาตอนมันจะนําเขาสู่ทางอาซาบิสไ อ, อิลาอาซาบิสไไอแห่งเปลวไฟจะนําเขาสู่ทางแห่งเปลวไฟจะนําทางเข้าสู่เปลวไฟจะนําทางเข้าสู่ทางที่ชั่วร้ายคือเปลวไฟคือไปนรกใครคบชาตอนเป็นเพื่อน ใช้ตอนทําหน้าที่สองอย่างหนึ่งทำอะไรนะจะชี้ทางน้ำเขาให้หลงแล้วก็พาเข้าไปลงนรกนี่คุณอ่านพูดชัดๆไปน้องแล้วใช้ตอนพายยังไงล่ะมันอยู่ที่ตัวเราไปน้องเราเดินเข้าเข้าใช้ตอนทําไม่ล่ะเอาสังเกตไปน้องมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเนี่ยหนุ่มกระโปรงสั้นๆนะครับไม่คุมนิจยาเดินผ่านหน้าหอพักเนี่ย สนามสัตว์นรภัณฑ์เนี่ยแต่ผู้ชายก็นั่งกันหน้าสนามเต็มไปหมดคนที่ปฏิบัติตามไทรตอนเดินตามไทรตอนก็แบบกิ๊กา ก, กกากโอ้โ ห, โ ห, โหยกไม้ยกมือยิ้มใหญ่เลยโอ้โหถูก อ, อกถูกใจนัเห็นไหมนั่นเดินตามใครเบตตายทรตอนผู้หญิงเดินมาเหมือนกันหนุ่มกระโปรงสันส้น ใส่กลินหอมและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก้มหน้ามองพับเห็นแล้วก็ก้มหน้าว่าไงนะอเอาอุบิาุรอ่านอ่างนั้นลลอฮ์ม่อ็นนี่ยอาอุบิ บ, บินฟินะตินซาว่าจะเบลกอบรีอ่าคนประเภทนี้เดินตามใครนะเดินตามมาอิ ก, กะอีกประเภทหนึ่งเดินตามไซต์ตอนเดินตามไาต์ตอนในคุรอ่านว่าไงนะอัลลอฮ์จะให้ไซตตอนนำเขาสู่ทางหลงทางแล้วก็สู่ไฟนรกในในที่สุด ส่วนคนที่เอาซุนนะนบีมากำกับชีวิตเท่ากับเดินตามมาละอิกะก้มหน้าเห็นหน้าครั้งเดียวแล้วก็ไม่มองแล้วเราก็อ่านดุอาอัลลอมฺอินนิอูซูบิการมินฟิตนะตินนิซ่าฮวาจาแล้วก็ บ, กนนาากบริโอพัยยาเรที่บ้านสวยกั น, น, นี่เต็มเยอะพี่น้องถ้าคิดแบบนี้แล้วก้มหน้าเนี่ปลอดภัยไหมปลอดภัยเดินตามใครครับเราเข้าข้างมาละอิกะนี่อยายะนี้อธิบายอัลลอฮฺมูนาขอบคุณอัลลอฮฺ ถ้าไม่มีคุณอ่านนำชีวิตเนี่ยเราก็เผลอเหมือนกันนายเป็นน้านี่ขนาดมีในายเป็น้องยังพลาดเลยท่านดูดีว่าคุณจะเหลิมนิกายแล้วโง่ท่านมนิกาหนักนะครับกุติบะเลยอันนั่วมันตะวันละแฟนนั่วยุ่ยดิลลูวะเยฮ์ดีอีละ วะยะดิฮีอิลาอะซาบิสซะอีนอัลลอฮุอักบัตอาจารย์พี่น้องเขียนแปลไว้ที่ข้างฟ้านะได้มีกําหนดเกี่ยวกับซัยตอนว่าผู้ใดคบซัยตอนเป็นเพื่อนมันทําให้เขาผู้นั่นหลงทางและนําเขาสู่การลงโทษแห่งเปลวไฟอิั้าอายะสุดท้ายนะครับพี่น้อง يا أيها الناس إن كنتم في ر ي ب من ا ل ب ع ث فإن خلقناكم من ت ر ا ب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضات مخلقة و غير مخل و غير مخلقة ليبين لكم و نقر في الأرحام ما نشاء ما نشاء إلى أجل مسمى ث ُ م َّ ن ُ خ َ ر ِ ج ُ ك ُ م ط ِ ف ْ ل َ ه ُُ م َّ ل ِ ت َ ب ْ ل ُ و ا أَشُدَّكُمْ و َ م ِ ن ك ُ م ْ م َ ن ي َُ و َ ف َ و َ م ِ ن ك ُ م ْ م َ ن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ الْعُمُورِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ م ِ ن بَعْدِ عِلْمٍ ش َ ي ْ ء ว่า al َั่วทั้งแผ่น ل ْนَ ا กَี้เป็นของْคَที่จะเป็นผู้ปَคَองทั้งแผ่นดินโลกนี้ที่จะเป็นผู้ปกครองทั้งแผ่นดินโลกนร้ คุอานนี้เล่าถึงการกำเนิดมนุษย์กำเนิดมายัางไงมีทั้งหมดเก้าขั้นตอนจนกว่าจะตายอ่ะพี่น้องค่อยๆดูสับนะยาอยอยูอยันนไม่พูดถึงเรื่องอามานูษย์มเนี่ยมนุษย์ทุกคนต่้งก้าเฟซมุสลิมถูกสร้างมาในเหมือนกันหมดเลยจะมีอิมานหรือไม่มีอิมานเาลาสร้างคนมาระบบเดียวกันหมดพี่น้อง ยาอยุฮันนาสแปลว่ามนุษย์เอย๋ยอิงกุนตุม่มถ้าหากสูเจ้าฟีรอยบินอยู่ในการสงสัยหรือคลางแคลงมินัลบะสิเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพถ้าสงสัยว่าอัลลอ์เนี่ยให้มนุษย์ที่ตายอยู่ในกูโบเนี่ยฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ไหมก็ให้ดูตรงนี้ หากท่านสงสัยว่าเออมนุษย์เนี่ยฟื้นคืนชีพคืนมาจริงๆหรือเปล่านะเอาดูฟรอินานคะลรากนาะกุมดังนั้นจงพิ จ, จารณานะเราได้สร้างสู่เจ้าทั้งหลายมินตุรอบอลัลนี่เล่าเลยนะตั้งแต่คนแรกของโลกสร้างมาจากไหนครับตูรอบเนี่ยดินใครๆนบีอะไร นบีอาดัมอัลลอฮิสาลามถูกสร้างมาจากดินเห็นยังครับอัลลอฮ์เล่าตรงๆเลยไม่ได้ปิดบังทูนไหนไปน้องให้ใชายสติตมัญยาชายสมองอัลลอฮ์สร้างท่านทั้งหลายนะมาถึงสร้างนบีอาดัมคนแรกมาจากดิน อ, อธิบายนิดไปน้องสร้างนบีอาดัมมาจากดินทุกคนยอมรับหมดพอสร้างโตฮา ว, วามาจากซีโครของอาดัมคนก็ยอมรับหมดผ่านพ่ออาดัมมีมีพ่อมีแม่ไหม ไม่มีมาจากดินไม่มีพ่อไม่มีแม่สองสร้างโตวฮวาผ่านพ่อไม่ผ่านแม่สร้างนาบีอิสามีปัญหาเลยผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อมีปัญหาแต่สร้างอาดัมไม่มีปัญหาสร้างโตฮวาไม่มีปัญหาเพะสร้างนบีอีซาผ่านแม่ไม่ผ่านเพาะมีปัญหา แล้วก็สร้างพวกเราวันนี้มามีทั้งพ่อและมีทั้งแม่ไอ้นการอิการอีกรอเรื่องนึงนะถามว่ามีพ่อมีแม่ไหมมีพ่อมีแม่นี่เป็นความสามารถของใครอัลลอฮฺพนอฺอัอาดูต่อไปอินคาร์ลากร์กุ ม, มินตุรอแท้จริงเราเราบังเกิดสู่เจ้ามาจากดินซุมมามินนุตฟะอัลลอจากดินแล้ว มาจากเชื้ออาสูจิเอาลอยไน้ อ, ลลนองออาอสูจิมาจากอาหารในไปน้องที่เรากินบริโภคนี่แหละเอาลอยไปน้ อ, ลลนองคิดนี่ใครทำได้เนี่ยเอาลอยบักเป็นระบบเดียวกันหมดทั่วโลกสร้างจากดินสองนะมาสูจิใช่หรือไม่ใช่ใช่ซุมมามินอาเลโกะในตัปสิทธิ์อธิบายว่า พอน้ำอสุจิต้องผสมกันในมดลูกอของผู้หญิงนะนี่พี่น้องสังเกตนะน้ําอสุจิหยดหนึ่งนี่นะสร้างคนได้ประมาณล้านคนแต่สเปิร์มี่วิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะพี่น้องไอตัวนายที่มันวิ่งเก่งเข้าโตก่อนพี่น้องมันตั้งล้านคนมันวิ่งอยู่ในมดลูก่มันวิ่งอยู่ในท้องนี่พ น, นะาไอตัวนายที่วิ่งเก่งสองตัวเข้าพร้อมกันเป็นลูกแฝด ตัวหนามันวิ่งเก่งสี่ตัวเป็นลูกแฝดสี่คนแต่ตัวหนาที่วิ่งเก่งตัวเดียวมันเข้าเข้าโก้พอเข้าโกปับ๊บมับเลยหมดลูกนี่รับทันทีเลยพี่น้องเรานี่นะวิ่งชนะพี่น้องมาแล้วล้านคนฮัลโหลเก่งหรือไม่เก่งที่นั่งยสงสุราเนี่ยเก่งหมดเลยพี่น้องไอตัวไม่เก่งกะตายหมดแล้วอยู่ในท้องก็ตายหมดเราเนี่เป็นฮีโร่นะเก่งจะนั่น เจออะไรบนดุลยาเนี่ยอย่ายอมแพ้นะกับไซตรตอนต้องเอาชนะให้ได้อย่าคบไซตตอนเป็นเพื่อนเพราะไซตตอนพาเราลงนรกต้องเอาชนะให้ได้ต้องอยู่กับมาลาอีกาเยอะๆอยุคลายกาเนี่ยเหงาเงาหนะเห็นผู้หญิงก้มหน้ามันไม่อร่อยตรงไหนเลยพี่น้องอร่อยทั้งมดอร่อย <c oughs> อยู่กับมาลาอีกาเนี่ยอโลอักวัดต้องอ่านกู้นอ่านอโลเห็นผู้หญิงก้มหน้า ไปยืนหนังสือพิมพ์ว น, นีวัาทิตย์ใช่ไหมที่แผนหนังสือ พ, พิมพ์ผู้หญิงแก้ภาพหมดเลยนะไปะดูดีๆดิถ้าเห็นงาทำไงครับอัลลอุมะอินเนาะอูซูบิการมินฟิตนาตินิสาฟาอาดาบิลกอบรีเดี๋ยวไปสาดิชนที่นั่งหนังสือพิมพ์เยอะวันยืนๆมาต้องนึกทุกทีอัลลอมะอินะอูซบิกมินฟิตหาผลละบุญรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เอาต่อมาพี่น้องหนึ่งเป็นดินสองเป็นนอาซูจ สามจากน้ำอสุจิสี่สิบวันเป็นก้อนเลือดนะอ่าเป็นก้อนเลือดซุมมามิมุบโกเมื่อเป็นก้อนเลือดเสร็จแล้วก็เป็นก้อนเนื้ออีสีมมม่สิออวันมุคลละกอตินที่บริบูรณ์หรือสมบูรณ์วอรอยรีโมคลละกอหรือที่ไม่สมบูรณ์เป็นอย่างนี้พอครบสี่สิวันนี่มาริกาถามถามมาเลาว่าจะให้เด็กครูนี่นะ แทงหรือเปล่าคือจะให้มันโตไปอัลลว่ล์วให้แทงพอแทงก็เลือดมันก็ออกมาเลยแทงไม่โตจะให้สมบูรณ์หรือไม่ให้สมบูรณ์มาลยคาถามทุกขั้นตอนถามอาลัลลอ์เด็กที่อยู่ในครรนเนี่ยจะให้มันรอดหรือไม่ให้รอดรอดหรือไม่รอดอลัลละ์ให้รอดให้รอดมาก็เอาไปทำอยูล่ลีลาอัลลอฮอักบัตจะนี้เมื่อครบสี่สิบวันแล้วปับ๊บเลยนะสี่เดือนสิ พอเป็นก้อนเนื้อก็อจากอสูจิเป็นก้อนเลือดแล้วก้อนเนื้อเสร็จแล้วก็ะคบสายนะสี่เดือนอัลลอ์ถ้าจะให้รอดให้มาลายิก้ามาเป่าวิญญาณพอเป่าวิญญาณปั๊บบันทึกให้สี่ข้อเลยไปน้องข้อที่หนึ่งเขาตายตอนไหนสองลิซกีของเขาได้รับเท่าไหร่ข้อที่สามจะมีอาชีพทำอะไร ข้อที่สี่เขามีความสุขแล้วก็เศร้ากี่วันสุขกีวก่วันเศร้ากี่วันอ ย, อยู่บนโลกบุญญาแบบนี้ที่นั้นบางคนมีร้องไห้มีไหมมีครับเสียใจบางคนมีแฮปปี้ตลอดมีไหมมีเพราะอัลลอฮฺกำหนดแล้วคุณเน่ยยิ้มกี่วันแล้วก็ทุกข์กี่วันคุณเครียดกี่วันแล้วก็คุณแฮปปี้กี่วันอัลลอฮฺกำหนดมาแล้วมีอยู่สี่รายการพี่น้องหนึ่งเริสกี้ให้มันใช่หนึ่งอาญความตาย สองฮาริยสกีนี่กำหนดมาเลยนะพี่น้องแต่เราไม่รู้ว่าจึงได้ของอ่ะอลัลลอฮ์บางคนจะมีบ้านสักหลังต้องขอเท่าไหร่จะมีเมียคนอลัลลอฮ์ขอแล้วขออีกอย่างอาลัลลอฮ์ไม่ให้อ่ะให้เหมือนกันพาไปนรกแล้วก็ไม่การในมรการอีกกหรใช่ไหมมันก็ต้องดูมีศาสนาอาลัลลอฮ์พี่น้องก็นั้นของที่เราไม่ได้ขอเนี่ยอลัลลอฮ์ให้มากกว่าขออ่ะอ้าศาสนานี่เคยขอมา ้าฉันเป็นมุสลิมเคยขอัหมไม่เคยไม่เคยขอใช่ั้ยขอให้มีหูมีตามีจมูกเคยขอบ่าไม่เคยอัลลอฮฺให้มาโดยไม่ได้ขอไอ้สิ่งที่ขอหนึ่งบ้านสองที่ดินสามภรรยาสี่ลูกห้กาธุรกิจหกเงินเจ็ดรถที่ดินมีเจ็ดแปดประการที่เราขอต่ออัลลออยู่นี่ไปนอนเหลายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีบ้านโอโหต้องขอบคุณโอโลัลลเยอะ เพราะอัลลอพูดในกะฟีคุณอ่านว่าอัลลอได้ทำบ้านของท่านให้เป็นที่อยู่อาศัยสักนานนะครับต้องขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆนะจิ๋นองอาต่อมาครับลินูบายีนาเลกุมเพื่อที่จะอะไรนะได้เป็นที่กระจางแจ้งแก่สูเจ้าอธิบายชัดแบบนี้เพื่อให้อีมานของท่านเพิ่มควรมนุษย์เนี่ยจะถูกสร้างแบบอื่นไม่ได้มีอยู่แบบเดียวที่อัลลอฮฺวางไว้ต่อมาครับ วานุทิรฟิลอรหามแลวเราได้ให้เขาอยู่ในมดลูกอรหามแปลว่ามดลูกโวมนะอยู่ในมดลูกเนี่ยกี่วันครับมานาชาตามที่เราประสงค์อิลาอาจริมมุซัมาเป็นเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วก็คือเก้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเกเดือนเอาลบกำหนดไปแล้ว ไม่มีใครอยู่เกินสิบสองปีมีไหมบางชาวอีกก็บรรนาลอยอยู่ในอยู่ในมดลูกห้ามันอยู่เรียนจะจะอายุห้าสิบสามตายแล้ตัวลงว่ามดลูกตัวลังเด็กเนี่ยจะคลอดนอกจะจะอาศัยอยู่นอกมดลูกได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ในมดลูกเนี่ยเอาล็อกกหนดเห็นไหมฟิลอารามต้องอยู่ในมดลูกเท่านั้น อยู่นอกมดลูกไม่ได้แต่มีอยู่คนอยู่นอกนอกนอ ก, นอ ก, นอกมดลูกอ่ะผู้หญิงปาเลสไตน์คนหนึ่งเลยมามาขอบริเจอร์แค่นีผมนั่งคุยเขาว่าเขาวในถูกตัดมดลูกอ่ะแต่สามารถคลอดได้ผมก็ไม่เชื่อนะแปลกมากนะอัลลอฮฺารลาบบอกบอกอัลลอฮฺไปก่อนนะครับเอาตัวมาครับ สุมมานนคุรียูกุมติฟลาเมื่ออยู่ในมดลูกนานถึงแปดเดือนหรือเก้าเดือนแล้วอัลลอ์ก็เราให้สู่เจ้าออกมาคลอดออกมาติฟลันเป็นทารกอัลลอ์เนี่ยนะั้นละเอียดไหมพี่น้องละเอียดยิบเลยอัลลอ์เล่าจนขัเพียกุณอ่านอะยะสันส้นๆอะยะเดียวพี่น้องสุมมาลิตบลูอาชุดดะกุมและเราก็ ทำให้พวกเขาบรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่โอโลัลเหอใช่ไหมอยู่ไปจากะจากเด็กแล้วก็เป็นหนุม่มแล้มาอยู่กระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องว่ามิงกุมไม่อยู่แต่วฟาแและบางคนในหมู่สูวเจ้าเนี่ยเราได้ทำให้เขาวายชีวิตทำให้เขาตาย นี่ตอนนุมๆตายมีไหมมีตอนเด็กๆตายมีไหมมีเห็นไหมเนี่ยเรากำหนดไว้แล้วน่แต่ไม่รู้ว่าใครจะตายเมื่อไรตอนไหนตนนั้นเองนะครับพี่น้องว่ามิงกุมไมยูรอ ด, ดูอีลาอัลซาลิลอโมรีและในหมู่พวกท่านบางคนเนี่ยถูกนำกลับไปสู่ ช่วงชีวิตที่เลวที่สุดนะครับว่าแก่ชราบางคนนะเอาล้อให้มีอายุยาวสู่วัยที่เลวที่สุดของชีวิตหมายควาบว่าไงครับแก่แล้วหลงหลงลืม ล, มลืมใช่หรือไม่ใช่ใช่แค่นั้นต้องขอดูอาเยอะๆต้องขอดูอาพี่น้องเพรอายุเยอะอย่างผมเนี่ยนะเจ็ดสิบสามแล้วท่านทาเทวรัตพิธเลิม 75ห้าต้องขอดุอาว่าไงนะอัลลอฮุมะอินนีอาฮูซูบิกะมินัลกาซาลีวาซูอิลกีบาริโออัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าอยากให้ฉันเป็นคนที่ขี้เกียจและอยากให้ฉันเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วหลงหล ง, ล, งลืมลืมมีอยู่คนหนึ่งเรียกยที่รักที่รักจ๋าที่รักจ๋าเด็กมันก็สงสัยว่าลุงทำไมเรียกที่รักจ๋าตลอดเวลาแล้ะกูลืมชื่อไปแล้ว อย่างนี้ดีไหมลืม <l ừng> ชื่อภรรยาไปแล้วเรียกอยู่คำเดียวที่รักจา๋าที่รักจา๋าทำอยู่นี่แหละนี่ภาษาเล่นๆกันในกลุ่มพวกเรานะ <laughs> ขอทุก อ, อาเยะคนที่มีอายุเยอะขอทุก อ, อาว่าังไงนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบบกะมินัลบุคลีคนแก่อย่าเป็นคนขี้เหนียวว่าอาอูซูบบกะมินัลจุบนี่ขอความคุ้มครองจ๋าออยาให้เป็นคนที่ขี้คลาด เอาล่ะ ah, จะเดินมาสู่ราวตอนกลางคืนกลัวไม่รู้กลัวอะไรไม่รู้นะอ้าวอูริเบกามินอันอูรอดดออิลาอาซาเลโลโมรีอย่าฉันอย่ากให้ฉันเป็นคนที่ถูกนํากลับสู่สภาพที่เลวของชีวิตหลงหลงลืมลืมพี่น้องเด็กโลนี่ดีไหมไม่ดีเลยนะพี่น้องให้เด็กให้เกียรติเราเห็นหน้าสลามมาได้กุ้มมันตรงอย่างนี้ไม่ใช่เห็นหน้าละไอแก่นี่มาแล้วอูราคาญจริงๆอ่า ใช่ไหมอย่าอย่าอย่าขอดูอาตลอดอย่างนี้อนนี้นบีสั่งให้ขอดูอาสวบ้านนบีชื่อท่านซาดสร้างลูกหญิงและลูกชายให้ขอดูอาเนี่ยหะดิสนี่ดูอาบทเนี่นะอยากให้เป็นคนแก่ที่หลงหลงลืมลืมนบีเองก็ขอดูอาให้กับตัวเองสวบ้านนบีทุกคนขอดูอาให้กับตัวเองอย่าให้เป็นคนแก่ที่หลงหลงลืมลืมพี่น้องต้องขอเนี่นะถ้าขออาดับไม่ได้ก็ อย่าให้ฉันเป็นคนแก่ที่หลงลืมแล้วอยาอัลลอยาอัลฮัมมัลฮิมีนะนว่าอัอด้บกามินฟิตนติดดุนยาว่าอาดาบิลกอบริขอความคุ้มครองจากอัลลอให้พ้นจากการฟิตนะบนดุนยาและการลงโทษที่กูโบขอสี่ข้อนะครับตอนอายุแก่ๆเอาต่อมาครับลีไกลายาลามาเขาไม่รู้อะไรเลย ม i มบ a ด i i อ m มินหลังจากที่เขาเคยมีความรู้มาก่อนใช้อันสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ยควาว่ามีคนแก่บางคนอัลลอฮให้กลับอยู่ในสภาพที่เลวที่สุดของชีวิตก็คือจำอะไรไม่ได้นั่นก็คือคนที่ไม่ได้เคยขอดุอาแท่ถ้ามันขออุอาอยู่บ่อยๆนะอัลลอฮจะไม่ให้คนแก่ที่มีอายุเยอะอายุเยอะนะครับหลง แล้วก็อะไรเนี่ยมันซื้อพิมพ์ลงบ่อยนะหายออกจากบ้านใช่ไหมผมอ่านพบอลัลลอฮ์นี่หายไปได้ยังไงเนี่ยมันหายไปนะหาไม่เจออะความจำเสื่อมน่าจะดังว่าคุณเนี่ยไม่เคยขอหนูอาตออลอื่นเพื่อนพี่น้องที่ชมรายการนะขอให้ท่านพี่น้องขอนูอาตออลอสมํมเสมออลัลลอจะอย่าให้ฉันเป็นคนที่แกแล้วลงหล ง, ล, งลืมลืมนะครับ ต้องขอดูอาตอนนี้แหละเริ่มเรมเริ่มขอดักดักไว้ก่อนนะพี่น้องต่อมาครับวาจาอลอรุณท่านเห็นแผ่นดินฮามิดาจันที่แห้งแล้งนี่ต้องการให้เราใช้ปัญญาไม่ให้ไปโรค อ, อัลไซเมอร์มองดูตัวเราตาจะต้องแก่ฉันนี่แกแล้วก็ให้มองดูแผ่นดินก็นแล้วกันแผ่นดินที่แห้งแล้งนี่น่ะ ไฟจะอันซาลนาอะไรฮัลมาเมื่อเราได้ประทานน้ำฝนลงมากันยั ง, ยงครับฉะนั้นชีวิตที่แก่ๆถ้ามีอีมานนี่นะไม่หลงครับนี่สังเกตจากกรุงอาหรายานี้อัลลอให้น้ำฝนลงมาแผ่นดินที่แห้งแล้งพอให้น้ำฝนลงมาปักอิตาจัดมันอะไรนะมันมันซุยวรบัตแล้วก็มันพองตัว วัมปัดและมันงอกเงยมิงกุลเจ้าจิมบหฮตทุกทุกพืชเป็นคู่คู่สง่างามอารามแล้วก็มองดูแล้วสวยงามใช่ไหมแค่น้ำฝนตกลงมาแผ่นดินที่แห้งแงล้องอัลลอฮ์ให้สง่างามให้พืชขึ้นคนก็เหมือนกันถ้ามีอีมานอลัลลอฮ์จะไม่ให้หลงนะครับพี่น้องดีไหม อัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอฮฺเปรียบเทียบว่าแผ่นดินนแห้งแล้งที่มันไม่มีต้นตมนต์้นไม้แค่ฝนตกลงมาน้ําฝนทําให้มีชีวิตชีวาคนก็เหมือนกันถ้าหากว่าอายุเยอะแล้วไม่ลืมอัลลอฮฺอัลลอฮฺอุอบัตมันขอดุงอาบต่ออัลลอฮฺแล้วก็นามาตย์าขาดซิกรุลลอดหยุดเป็นประจําอัลลอฮฺจะให้ชีวิตของเขาสดชื่นตลอดเวลา มาสู่เราไม่ได้ น, นมาที่บ้านก็มีผลละบุญเท่ากับ น, นมาที่มัสยิดเหมือนกันียติการไม่ได้เพราะเคยมาทุกปีนั่งอยู่ที่บ้านผลละบุญเท่ากับียติการที่มัสยิดเหมือนกันนี่ไงพราะเรามี إيمان ภาพเนี่ยแผ่นดินมีน้ำฝนตกลงมาสดชื่นคนก็นเหมือนกันถ้ามี إ ي م านอ๋มอลลมีบรารการในชีวิตมากเลย สูบจากอายา น, นาีนะครับดังนั้นอย่าทิ้งศาสนาให้มันขอดุทิศต่อร้องและอ่านอาลาัลกุรอานยึดรุลนร้ออยู่เป็นประจำสุภาพนะทูลลองุ่มาเราเย็นไปว่าคู่เป็นคู่เพราะว่าบนบนบนบนทุน ญ, ญาไปนี้สิ่งที่มีเ อ, เอกพจน์ไม่มีคู่หมดเลยอืคนก็ต้องมีคู่แพะแกะใบไม้ก็เหมือนกันมันมีตัวคู่แต่ตัวเมียใช่ไหม ถ้าไปกินใบไม้ตัวเมียบางทีมันไม่หายนะโรคก็ต้องกินตัวผู้ด้วยนะดังนั้นต้องปรึกษามหมอเหมืกันเร่องดังเรนนี้อัาทำจนแล้วตัวเราบอกว่าน้ําฝนตกลงมาทาให้แผ่นดินเขียวชยวอุ่มต้นไม้ชุ่มชื้นโองงอกงามคนก็เหมือนกันถ้านี่อิมานนี่ศาสนาชีวิตสดชื่นไหมอัลฮัมมุมีทางออกสําหรับชีวิตเรามีมัลาอิกะเราไม่มีไซต์อ่อนนะครับสุบฮลลารนะกะลาอุมมะวะบิฮัมดีกะ Wa ilaha Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u h